มันห้อนห่อนแบบบอบทางนอกก็แหงเข้าไปเลยห้อนแบบวาบวาบนะ่ะเทอยจังไดล่ะเอาอยู่ในไตฟ้าัำห่อนแห้งายกันนะ่น่ะลงหมดนาหวยล่างนะ่ะถ้าไขรร้อนมากกันกระโดดลงน้ำหวยล่างนะ่ะลงไปแช่ยานนั้นนะ่ะจะไปอยู่ให้ตัวเองตายไม่ได้นะบางคา้อถึงมาให้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 เห็นแล้ววันหนาวคักอันนี้หลวงพ่อเคยเห็นแต่หอดสามนะแถวแถวเห่าเนี่ยแต่ขนาดนั่นกันรู้สึกโอ้โเหลืออดเลยยางไปใส่นี่ยเจ็บมัดเหยียบก้อนหินนิน่อยกับพ่อปันท้ อ, ทอหัวปุมือหมดแล้วมันอยางไปใส่เจ็บตีนได้ห่ดแล้ไปเจ็บเท่าน่ยอันนี้คือหนาวตั ว, ว่าห่อนเนี่ยหอนคักคเนี่ยอย่างว่าท่านเคยมีวะว่าท่านเคยเห็น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 หายใจเขา่ามันกับเขานําหายใจออกหายใจเข่าก็ทูเข้าไปอันนั้นแปลว่าโอ้ฮอนก็เพียงแค่นั้นกับว่ถึงขนาดว่าถึงกับลำบากแต่ว่าประเทศอินเดียเนี่ตายเด็ดแถวตะวันออกกลางอินเดียเนี่ตายเวลาเขาไปในบ้านเขต้องมีประตูปิดปิดปูให้อากาศเขา่านี่ยน่ะ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 ทิ่สวดทุกสิบหามือจากอุโปโปจักะทะกาลโตปุเปนอม ว, วิทังอันนี้คือสินมากในพระปฏิโมก2 2สองอ ย, ยี่บเ็ดข้อสวดทุกสิบคืนสิบหาคำแลมสิบหาคำกลางเดือนปลายเดือนกลางเดือนปลายเดือนปีนึงเดือนหนึ่งสวดสองครั้งนะว่าสวดพระปฏิโมกแต่สินนอกนั่นแหละมีมากมม่ให้อานให้ลูกคือกด ก, กติกา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 เฮ็ดอยังตรงประเขีนตะกอนอย่างที่แหละเอีสอนวมาใ น, นพวกนาคตรีขาม้ามันเกิดขึ้นอดบ้านอยู่เลยขี่เสาะ อ, อยู่แล้วมโนวเอาไปมากเกิดว้าผมบวบปวดออกครับอผมปวดเฮ็ดปฏิบัติบไวใดออกแข่งคัดเกินไปเออกาไปมากเลยหาผู้บวชบัวใดทั้งที่นิสัยหมักผลนิพัานมีอยู่แต่ว่าพระพีเรียงสอนกฎระเบียบก่อน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 อากาศนิยกิจมีมีสี่อย่างกิจที่ไม่ควรทําอธิบายละเอียดให้ฟังละบา้านออกจากนั้นอธิบายเรื่องสินเล็กสินหน่อยก็ไปบา้านโอ้ตะแต่แตต ต, ต, ต, ตผมเพ็ดบ่อดหรอกก็จะเนี่ผมคนห ย, ยาบหายาบจัิงจริงโยกเมื่อวัยอาจารย์ผมจิล่าซึกมนีล่ะครับปุณห์ผมจิล่าซึกมนีละ่ะเป็นอย่างหละ่ะโอ้ยผมปฏิ บ, บัติบ่อใดแต่แท้ผมก็จากได้บุญ ก็คิดว่าปฏิบัติได้แต่พ่อมาบ่าเรื่องพ่อวินัยเข้าไปนูโอ้ยพ่อปันจุงเขารักหนีบบาดเนียวจะไกระุกกระดิกโบได้เลยบาดเนียวอันนั้นก็พิษอันนั้นก็พิษอันนั่นได้อันนี้ถ้ำโบได้ข้าท้าเธอผมหลงผมลืมเหะอเหตยังไดเนี่ยมันก็เป็นบาปแหละเนี่ยพิษวินัยพิษศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมเหตดโบได้ขันทิตละเอียดทีถวนปานนี่วจะ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 สอนวินัยบ้านคือกฎระเบียบในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ตอนนี่เขารับบ่อใดเขาอยากบกว่าเขาขัวผิดวินัยขัวบาปเขาเลยอยากซึกอพระเจ้าข่านะพระพุทธองค์ก็เลยถามว่าเป็นอย่างไรพระใหมห่อยูท่นเธอคิดยังไงโอ้ข่าพระองค์อยากได้บุญหลายทีแรกเ็ยอ่ครูบาอาจารย์แนะนำกับปฏิบัติตาม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 พระโทธเจ้าเนี่ฉลาดอิหรี่หัไปฉลาดในการสอนพวกเขาคินปุงนูนกรม น, นเท้านีม่มดคว่ำคืน ด, ดีเลยกรมนลูกนองจะซื้อกองเฮ็ดยังไนะรล่ะเนี่ยพะวินัยเป็นยงนี้ซื้อคือซื้ อ, อ, อ, อ, อนแล้วเนี่ยเทากัรักษาวินัยขึกันเจ้ากันรักษาวินัยเจานนะ้าจะออกนอกลูมนอกทางบ่รักษาวินัยกี่เฮ็ดังไงฮะอ้ที่พระโพธิเจ้าบอกว่าเออไ่ต้องรักษารอกเนี่ยมันยากนะรักษาอันเดียวก็พะรักษาใจเท่ า, านั้นละาะนะกัรักษาใจอย่างเดียวนะ